ตอนนี้ฝนก็หยุดแล้วก็นั่งได้ประมาณห้าสิบห้านาทีก็พอสมควรกับเวลาจะได้ทำกิจกรรมอย่างอื่นต่อไปก็ให้ญาติโยมที่จะถวายข้าวของได้เข้ามาถวายก่อนจะเข้ามาก็ขออนุโมทนาให้พรก่อน ยะถาวาริวหาปุราภริปเรนติสัคหลังเอวเมวะอิตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฐิตังตุมหังเขปเมวะสมิชะโตสัพเพปเรนตุสังกะปาจันโทปนาราโสยะถามณีโชติ ระโสยะาสพีติโยวิวัจจันโตสัพโรโววินาสโตมาเตภวะทวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีฤทธานิจังวุธาปจายโนจตารูธรรมวาทานติอายุวันโอสุขัง อลวันนี้มีเข้ามาเท่าไหร่วันนี้ตอนพระอาจารย์นั่งสมาธิอยู่ที่เฟซบุ๊กอยู่ที่ร้อยห้าสิบคนครับแล้วก็ยูทูบอยู่ที่ห้าสิบคนครับคิดว่าที่บ้านคงจะได้นั่งสมาธิด้วยนะไม่ได้ฟังธรรมก็นั่งสมาธิไปแทนเพราะการนั่งสมาธิก็มีความสําคัญพอๆกับการ ฟังธรรมฟังธรรมก็ได้ปัญญานั่งสมาธิก็ได้อุเบกขาได้ความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบแล้วก็จะมีพลังที่จะสู้กับตันหาความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ของความวุ่นวายใจต่างๆถ้ามีแต่ปัญญาแต่ไม่มีสมาธิ ก็จะไม่สามารถหยุดความอยากได้ถึงแม่รู้ว่าความอยากเป็นโทษเป็นต้นเหตุของความไม่สบายใจของความทุกข์ใจแต่ไม่มีกำลังที่จะสู้กับความอยากได้แต่ถ้ามีสมาธินี้ใจจะมีความสุขในตัวมีความพอมีความอิ่มทำให้ไม่ต้องทำตามความอยากก็ได้ ฝืนความอยากได้หยุดความอยากได้ดังนั้นจำจาเป็นจะต้องมีทั้งสองอย่างมีทั้งสมาธิและมีทั้งปัญญาสมาธิมีไว้สำหรับให้ความสุขกับใจเพื่อจะได้ฝืนความอยากได้ปัญญาก็มีไว้สำหรับสอนใจให้รู้ว่าการทำตามความอยากจะทำไปสู่ความทุกข์สู่ความไม่สบายใจ นั้นการไม่ทำตามความอยากจะเป็นการหยุดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจพอรู้ด้วยปัญญาว่าความอยากเป็นพิษเป็นภัยแล้วถ้ามีสมาธิมีความสุขมีความสงบในใจก็จะสามารถฝืนความอยากได้อยากจะได้อะไรก็ไม่เอาก็ได้อยากจะดูอะไรก็ไม่ดูก็ได้อยากจะฟังก็ไม่ฟังก็ได้อยากจะดื่มอยากจะรับประทานอะไร ก็ฝืนได้และจะไม่รู้สึกทรมานใจเพราะใจมีความสุขหล่อเลี้ยงอยู่ด้วยสมาธิเิ่นเราจำเป็นที่จะต้องฝึกทั้งสองอย่างฝึกทั้งสมาธิและฝึกทั้งปัญญาสลับกันไปนั่งสมาธิก็ทำใจให้สงบอย่าไปคิดอะไรไม่ต้องเจริญปัญญาไม่ต้องพิจารณาอะไรให้จิตสงบให้นิ่งให้นอนที่สุด พอจะให้พลังให้ความอิ่มความสุขเป็นเหมือนการเติมน้ำมันให้กับรถยนต์เวลาเราเติมน้ำมันรถยนต์เราไม่ขับรถไปไหนเรถจอดจอดเติมให้เต็มถังก่อนเมื่อเติมเต็มถังแล้วเราค่อยขับรถออกไปจากสถานีบริการชั้นใดสมาธิก็เหมือนกันเวลานั่งสมาธิไม่ต้องคิดอะไรแม้แต่เรื่องปัญญาก็ไม่ให้คิดให้จิตนิ่งให้สงบ ให้เป็นอุเบกขานานๆแล้วพอออกจากสมาธิมาค่อยคิดคิดทางปัญญาคิดว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้นะั้นมันไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องจากเราไปพอจากเราไปก็ทุกข์ห้ามไม่ได้มันเป็นไ ม, ไม่ใช่เป็นของเรามันจะไปเมื่อไหร่ก็ห้ามไม่ได้มันจะมาเมื่อไหร่ก็ห้ามไม่ได้งั้นอย่าไปอยาก เวลามันไปก็จะไม่ได้เสียใจไม่ทุกข์ใจนี่คือปัญญาต้องผัดกันทำหน้าที่พิจารณาไปสักพักจิตเริ่มฟุ้งก็หยุดหยุดคิดแล้วก็กลับมานั่งสมาธิทำใจให้สงบต่อพอออกจากสมาธิก็ไปคิดทางปัญญาต่อเช่นคิดทางร่างกายว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ห้ามไม่ได้ห้ามไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้อมันจะแก่จะเจ็บจะตายก็ปล่อยมันไปอถ้าปล่อยโดยที่เราหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บหยุดอยากไม่ตายได้เราก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายปล่อยให้ร่างกายตายไปเพราะร่างกายก็เป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นอาการ32ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา นี่คือปัญญาให้หัดคิดบ่อยๆแล้วเดี๋ยวเวลาถึงเวลาที่จะต้องจากร่างกายไปก็จะจากได้อย่างสบายไม่ทุกข์เพราะรู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรารู้ว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่คือการเจริญปัญญาสลับกับการนั่งสมาธิถ้ามีทั้งสองอย่างมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญา ก็จะสามารถดับความทุกข์ใจต่างๆที่เกิดจากความอยากได้ฉะั้นขอให้พวกเร า, เาฝึกทำทั้งสองอย่างาขั้นต้นก็ฝึกสมาธิก่อนถ้ายังไม่มีสมาธิฝึกให้มีสมาธาิฝึกให้ได้นั่งได้ให้ได้นานๆ อ, าอย่างน้อยก็ชั่วโมงหนึ่งขึ้นไปนั่นแล้วออกมาใจจะเย็นจะสบาย พอเกิดความอยากก็สอนใจว่าอยากไปอยากอยากเราจะทุกข์เพราะสิ่งที่เราอยากเราไม่สามารถที่จะให้เรามีอยู่กับเราไปได้ตลอดได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องจากเราไปเวลาเขาจากไปก็จะทำให้เราเสียใจทำให้เราทุกข์ใจคิดอย่างนี้เราต่อไปจะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไร ก็จะอยู่อย่างสบายอยู่กับความว่างอยู่กับความสงบอยู่กับความสุขที่เกิดจากการปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การหยุดความอยากอยู่กับการไม่มีความอยากนี่แหละเป็นความสุขอย่างยิ่งดังั้นขอให้พวกเราพยายามฝึกไปเรื่อยมีเวลาก็นั่งสมาธิกันเปลี่ยนวิธีหาความสุขกัน จากการหาความสุขจากการดูการฟังการดื่มการรับประทานการไปที่ท่องเที่ยวต่างๆเราก็มานั่งสมาธิกันดีกว่านั่งแล้วจะได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานไปเที่ยวถ้าเราทำบ่อยๆแล้วเราจะมีความชำนาญมีความสามารถ ที่จะนั่งได้เรื่อยๆนั่งได้บ่อยๆต่อไปเราไม่ต้องเสียเงินเสียทองไปหาความสุขจากการกระทำอะไรต่างๆเราก็จะได้ไม่ต้องไปหาเงินหาทองให้วุ่นวายกันเราก็จะได้มีเวลามานั่งสมาธิกันให้มากขึ้นมีเวลาที่มาเจริญปัญญาให้มากขึ้นถ้าเรามีเวลาเจริญสมาธิเจริญปัญญา เราก็จะมีโอกาสที่จะได้ดุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้พระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วบอกแล้ ว, ว่าถ้าเจริญสมาธิเจริญปัญญาได้อย่างต่อนเนื่องตลอดเวลาก็สามารถดับความทุกข์ต่างๆได้ภายในเจ็ดวันหรือเจ็ดเดือนหรือเจ็ดปีพะ เครื่องมือที่จะดับความทุกข์ก็คือสมาธิและปัญญานี่เองขอให้เราถ้าเรามีสมาธิมีปัญญาแล้วเราจะหยุดกามตัณหาได้หยุดภาวะตัณหาได้หยุดวิภาวะตัณหาได้พอเราหยุดกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาได้ความทุกข์ก็จะไม่มีการกลับมาเกิดก็จะไม่มีเพราะเมื่อเราไม่มีความอยากที่จะ ดูจะฟังจะลิ้มรส ด, ดมกิ่นจะสัมผัสอะไรผ่านทางร่างกายเราก็ไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องมามีร่างกายใหม่เมื่อไม่มีร่างกายก็ไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีความตายตามมาทุกของพวกเรานี้เกิดจากการมาเกิดกันเกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายกันเพราะว่ามีความอยากจะหาความสุข ทางร่างกายก็เลยต้องมีร่างกายพอมีร่างกายก็ต้องมาเจอความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายแต่ก็หยุดไม่ได้พอร่างกายตายไปความอยากที่มีอยู่ในใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากในใจก็ดึงให้ใจไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ไปแก่ไปเจ็บไปตายใหม่เราก็จะเกิดแก่เจ็บตายไปอย่างนี้ไปไเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด จนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะสอนให้พวกเรารู้ว่าเรากําลังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่และสาเหตุที่ทําให้เราเวียนว่ายตายเกิดกันก็คือความอยากทั้งสามประการนี้คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นแล้ววิธีที่จะทําให้เราหยุดความอยาก เหานี้ได้ก็คือการบําเพ็ญทานศีลภาวนาทําทานเวลาอยากจะเอาเงินไปทําตามความอยากก็เอาไปทําทานแทนแล้วความการอยากจะทําความอยากนั้นก็จะหยุดไปหายไปอยากไปเที่ยวก็เอาเงินที่จะไปเที่ยวไปทําทานอยากจะซื้อของฟุ่มเฟือยของไม่จําเป็นก็เอาไปทําทานถ้าทําอย่างนี้แล้วต่อไปความอยาก ที่จะใช้เงินทองไปตามความอยากก็จะไม่มีเราก็จะไม่ต้องเสียไม่ต้องไม่ต้องไปหาเงินมาใช้ตามความอยากอยู่เรื่อยๆ้าเอาเงินไปใช้ตามความอยาก <fonctionne. S 1> เดี๋ยวพอใช้แล้วความอยากใหม่ก็โผล่ขึ้นมาได้ของได้นาฬิกาแล้วเดี๋ยวก็อยากจะได้มือถือได้มือถือแล้วก็อยากจะได้แหวนเพชรอยากจะได้อะไรไปเรื่อยๆ ก็ต้องไปหาเงินหาทองหามาเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้แต่ถ้าเราเอาเงินที่เราจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยของไม่จำเป็นของตามความอยากเอาไปทำทานเสียแล้วต่อไปความอยากที่จะใช้เงินทองก็จะไม่มีเราก็จะมีเงินเหลือเฟือเหลือใช้เราก็จะไม่ต้องหาเงินหาทองมากมายเพราะเราไม่ต้องใช้เงินทองมากมายเราก็จะมีเวลามา รักษาศีลมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญาภาวนาก็คือการนั่งสมาธิการเจริญปัญญานี้เองสมถภาวนาคือการนั่งสมาธิวิปัสนาภาวนาคือการเจริญปัญญาให้เห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราถ้าไปอยากเราจะทำให้เราทุกข์ก็จะไม่ได้ดังใจอยากเสมอไป เราก็จะเลิกหยุดหยุดความอยากได้หยุดความอยากได้ดไดเราก็หยุดความทุกข์หยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้เราก็จะได้ไปอยู่ที่พระนิพพานกับพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกทั้งหลายไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอย่างที่เรากําลังเป็นอยู่ในขณะนี้และจะเป็นอยู่ไปเรื่อยๆตราบใดที่เรายังไม่สามารถที่จ ะ, ะปฏิบัติทานศีลภาวนา ให้ได้เต็มที่จนเราสามารถกำจัดความอยากทั้งสามนี้ให้หมดไปจากใจให้ได้เะฉนั้นเป้าหมายของเราที่เรามาเกิดนี้ก็เพื่อที่จะมากำจัดความอยากทั้งสามนี้ด้วยการมาทำทานด้วยการมารักษาศีลด้วยการมาภาวนาเพราะนี่คือวิธีเครื่องมือที่จะทำให้เราสามารถกำจัดความอยากทั้งสามได้ เมื่อกำจัดความอยากทั้งสามได้การกลับมาเกิดแก่เจ็บตายก็จะหมดไป เ, เราก็จะมีแต่ความสุขภายในใจไปตลอดเรียกว่านิบานังบาลมังสุขขังใจที่ไม่มีความอยากนี้เป็นความสุขอย่างยิ่งนิบานังก็คือใจที่สะอาดใจที่ปราศจากความอยากทั้งสามเมื่อไม่มีความอยากทั้งสามอยู่ในใจใจก็จะสงบตลอดเวลา เป็นปรมังสุขขังตลอดเวลาเป็นบรมสุขตลอดเวลาอันนี้แหละคือความสุขที่แท้จริงพวกเราทุกคนหาความสุขกันอยู่ในตอนนี้แต่ความสุขที่เราหาเนี่ยมันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์เพราะว่าความสุขที่เราได้มาไม่ใช่ก็เร็วมันก็จะจางหายไปพอจางหายไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ทุกรังไป ดังนั้นยุติการหาความสุขปลอมกันดีกว่าความสุขปลอมก็คือเนี่ยการหาเงินทองหาราบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสเป็นการหาความสุขปลอมเป็นการหาความทุกข์ที่แท้จริงเนี่ยเป็นการหาที่ไม่มีวันสิ้นสุดตายไปแล้วก็ต้องกลับมาเกิดมาหาใหม่แต่ถ้าเรามาปฏิบัติทานศีลภาวนาได้เราก็จะได้พบกับความสุข ที่แท้จริงคือความสุขที่เกิดจากความสงบความสุขที่เกิดจากการกำจัดความอยากทั้งสามให้หมดไปจากใจนี่คือคำตอบสำหรับผู้ที่ถามว่าเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่อมาปฏิบัติทานศีลภาวนาเพราะการปฏิบัติทานศีลภาวนาจะทำให้เรากำจัดความอยากทั้งสามที่มีอยู่ในใจให้หมดไป ทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปทำให้เราได้อยู่ในพระนิพพานอยู่กับบรมลรมสุขไม่มีวันทุกข์อีกต่อไปนี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาเรื่องของคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะให้ความกระจ่างแก่พวกเราว่าชีวิตของพวกเรานี้เกิดมาได้อย่างไร เราเกิดมาเพราะความอยากพายเรามาเกิดเกิดมาแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายการมาเกิดจึงเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขการไม่มาเกิดต่างหากที่เรียกว่าเป็นสุขนี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบที่พวกเราไม่มีวันที่จะรู้ได้ด้วยตนเองเพราะพวกเราจะถูกความหลงหลอกให้เราเห็นว่าการมาเกิดนี่เป็นสุข พามาเกิดแล้วเราก็จะได้หาความสุขกันหาความสุขจากราบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะแต่เราไม่เห็นความทุกข์ที่จะตามมาเนื่องจากราบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะนี้มันเป็นของไม่ถาวร น, นั่นเองเป็นของชั่วคราวมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมเราจะเห็นแต่ตอนที่มันเกิดเห็นแต่ตอนที่มันเจริญ แต่ตอนที่มันเสื่อมตอนที่มันดับตอนไม่เห็นกันเพราะถูกความหลงปิดบังเอาไว้เห็นว่ามันสุขอย่างเดียวไม่เห็นว่ามันจะต้องกลายเป็นความทุกข์ต่อไปถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดเจ้าราเราก็จะหลงอยู่กับการหาความสุขในราบยศฉลเสรญหาความสุขในรูปเสียงกลิ่นลดไปเรื่อยๆตายไปก็กลับมาหาใหม่และเวลาทุกข์เราก็ลืมเราก็ไม่รู้ว่าเรามาทุกข์ได้อย่างไร มาแก่มาเจ็บมาตายมาทุกข์กันก็ไม่รู้สาเหตุมาสาเหตุก็เกิดจากการที่เรามาหาความสุขกันนั่นเองหาความสุขแต่ไปความสุขชั่วคราวพอร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายก็จะไม่สามารถหาความสุขได้อีกความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ตอนนี้เรามีพระพุทธเจ้ามาสอนเราให้เห็นแล้วว่าการเกิดนี่เป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่า จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตา ย, ยางั้นอย่า ก, กลับมาเกิดเดียวกัการไม่เกิด น, นี่แหละเป็นสุขการจะไม่เกิดก็ต้องปฏิบัติทานศีลภาวนาถ้าเรามีทานศีลภาวนาเราก็จะหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราได้หยุดมาเกิดได้พอไม่เกิดเราก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายเราก็จะ อยู่ที่พระนิพพานกับพระพุทธเจ้าไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดดังน้นขอให้พวกเราชาวพุทธทั้งหลายจงตั้งเป้าหมายอยู่ที่พระนิพพานเหยื่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ที่การปฏิบัติทานสิ้นภาวนาอย่าไปหลงไหลกับอะไรต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่เป็นทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ ทางที่จะนําไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ไปสู่ความสุขที่แท้จริงที่ถาวรอยู่ที่การปฏิบัติทานศีลภาวนานี้เท่านั้นกันก็ขอให้ท่านจงนําเอาไปพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความหลุดพ้นที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอหยุดติไว้เพียงเท่านี้ จะเปิดโอกาสให้ท่านที่อยากจะถามคําถามใครมีคําถามอะไรอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้อถ้าไม่มีเดี๋ยวจะให้ทางบ้านถ้ามีคําถามก็ส่งคําถามเข้ามาได้ยังพอมีเวลาอยู่มีไหมมีครเดี๋ยวครั้งนี้เดี๋ยวส่งไมโครโฟนให้คุณผู้หญิงนิดหนึ่ง พูดใกล้ๆปากเราจะได้เสียนดั่าังมาสการค่ะหลวงพ่ อ, อ, พอคือปฏิบัติมาพักหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็อยากจะขอคําแนะนําค่ะว่าควรจะทํำยังไงบ้างค่ะก็เร่ามาสิว่าปฏิบัติยังไงก็นั่งที่บ้านคะ่ะนั่งสมาธิค่ะสวดมนต์ภาวนาทุกวันนะคะอะก็อย่างที่เมื่อกี้เราก็นั่งสมาธิกันใช่ไหมเวลานั่งสมาธินี้เราต้องการให้จิตนิ่งให้สงบไม่คิดอะไระอะพอเราออกจากสมาธิมาเราก็ต้องหัดคิดทางปัญญา พิจารณาร่างกายเราพิจารณาร่างกายของคนอื่นว่าไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายาไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นดินน้ำลมไฟให้คิดอย่างนี้บ่อยๆเพื่อเราจะได้ไม่ไปหลงยึดติดกับร่างกายเราเป็นใจเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้ที่พิจารณาร่างกายนี้ไม่ใช่ร่างกายเป็นผู้ที่มา รับร่างกายจากพ่อแม่มาใช้เป็นคนรับใช้เราเป็นนายร่างกายเป็นบ่าวแต่ร่างกายนี้จะอยู่กับเราได้ไม่นานเดี๋ยวก็ต้องจากออกไปเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้เขาไปไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็เหมือนกันร่างกายของพ่อของแม่ของเราของสามีของภรรยาของบุตรของธิดาเหมือนกันหมดเป็นเพียงดินน้ำลมไฟ ไม่ได้เป็นพ่อแม่ไม่ได้เป็นสามีภรรยาไม่ได้เป็นบุตรเป็นที่ดาบุตรทิดานี่อยู่ที่ใจสามีภรรยาอยู่ที่ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายพอไม่มีร่างกายเขาก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ต่อพิจารณาให้ปล่อยวางร่างกายทั้งของเราและทั้งของผู้อื่นแลเวลาเกิดการพัดพากจากการจะไม่ทรมานใจจะไม่เสียใจจะไม่ทุกข์ใจต้องคิดบ่อย ไม่คิดแล้วมันลืมเรารู้อยู่ว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่เรามักจะลืมกันเราไม่คิดบ่อยๆเราก็เลยคิดว่าเราจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเนี่เราต้องคิดอยู่เรื่อยๆออกมาจากสมาธิก็คิดมันไปเรื่อยๆคิดจนกระทั่งรู้สึกเหนื่อยก็กลับไปนั่งสมาธิต่อหยุดความคิดพักความคิดในสมาธิพอออกมาก็คิดอีกถ้ามีเวลาคิด แต่ถ้าต้องทำงานทำการมันก็จะไม่มีเวลาแล้วเดี๋ยวมันก็จะลืมได้ยังต้องหาเวลาคิดถึงเรื่องความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆขอบคุณครับคุณงพ่ อ, อคำถามแรกจะทางอินบ็อกซ์ครับจากคุณบุญเรืองครับมีคาถามว่าตักบาตรหน้าบ้านทุกวันกลับไปทำบุญที่วัดสัปดาห์ละครั้งได้บุญเหมือนกันไหมครับบุญบุญนะคือ บุญได้แต่มากน้อยอยู่ที่ปริมาณที่เราทําอยู่ที่เข้าของเงินทองที่เราเสียสละแบ่งปันไปถ้าเราทําบุญร้อยบาทไม่ว่าจะทําที่วัดหรือทำที่บ้านก็ได้บุญเท่ากันถ้าเราทําที่บ้านเจดวันเราทําวันละร้อยได้เจ็ดร้อยเราไปทําที่วัดเพียงวันเดียวหนึ่งร้อยอย่างนี้เราก็ทําบุญที่บ้านเราก็ได้บุญมากกว่า เพราเราเสียเงินมากกว่าไปเสียเจ็ดร้อยกับเสียร้อยหนึ่งบุญที่ได้จากการทําทานก็ต่างกันแต่ถ้าไปวัดนี่ถ้าเราไปวัดที่มีการเทศนาว่ากล่าวมีการสั่งสอนเราก็จะได้บุญอย่างอื่นเพิ่มขึ้นนอกจากบุญที่เราได้จากการทําบุญร้อยบาทแล้วเราก็ได้ฟังเทศฟังธรรมเราก็ได้บุญที่เกิดจากการฟังธรรม ซึ่งเราอาจจะไม่ได้จากการที่เราใส่บาตรที่บ้านดังนันการไปทาบุญที่วัดก็อาจจะได้บุญอย่างอื่นเพิ่มอาจจะไปถือศีลถือศีลแปดที่ที่วัดอย่างนี้หรือนั่งสมาธิที่วัดเนี่ยอันนี้ก็เป็นบุญหลากหลายชนิดด้วยกันก็แล้วแต่ว่าเราจะทำมากทำน้อยบุญมากบุญน้อยอยู่ที่เราทำมากทำน้อย อยากได้มากก็ถ้าทําให้มากๆไม่ว่าจะเป็นบุญที่เกิดจากการทําทานบุญที่เกิดจากการรักษาศีลบุญที่เกิดจากการนั่งสมาธิบุญที่เกิดจากการฟังธรรมอันนี้ถ้าทํามากก็ได้มากขึ้นไปตามลําดับนะครับคํำถามต่อไปจะทาง youtube นะครับจากคุณ V ีเคครับลูกมีคําถามว่าลูกตอบแทนพระคุณพ่อแม่มาตลอดไม่เคยบกพร่อง แต่พ่อทำให้ลูกเสียใจมาตลอดเช่นกันเช่นพ่อติดการพนันเป็นหนี้เป็นศินใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดลูกโกรธและต่อว่าพ่อมันบาปมากไหมคะแล้วจะต้องทำอย่างไรเพราะพยายามที่จะดึงพ่อเข้าทางธรรมแล้วแต่ก็ไม่สำเร็จคือเราต้องเข้าใจว่าพ่อเขาเนี่ยเขาก็เป็นคนมีกิเลสเหมือนเราเขาก็ยังมีความอยากที่เขายัางห้ามไม่ได้หยุดไม่ได้ การที่เราจะไปโกรธพ่อพ่อไปทําอะไรตามความอยากของพ่อนี้ mm hmm. ก็ไม่ถูกเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเราอพ่อเขาทําพ่อเขาก็ต้องเป็นคนรับผลของการกระทําของเขาเองออย่างนั้นแต่เราเป็นผู้ที่เป็นลูกเราควรจะรักเคารพพ่อเราควรจะแยกพ่อไว้เป็นเป็นส่วนส่วนส่วนที่เป็นพ่อก็เราก็ต้องยกย่องท่าน ส่วนที่ท่านส่วนที่เป็นกิเลสก็ต้องปร่งว่าเป็นกรรมของท่านไปไม่ควรไปต่อว่าไม่ต้องไม่ควรไปโกรธ ถ, ถ้าเราพยายามช่วยเหลือท่านแล้วช่วยไม่ได้เราก็ต้องโปร่งอนิจจังทุกขังอนัตตาไปถือว่าเป็นกรรมของสัตว์ไปกรรมของท่านไปแต่เราไม่มีสิทธิ์ในฐานะที่เราเป็นลูกที่จะไปโกรธเกรียดพ่อแม่ไม่ว่าพ่อแม่จะทำอะไรเสียหายร้ายแรงขนาดไหน อันนั้นเป็นการเรื่องของกรรมของท่านเรื่องของเราก็คือเราอย่าไปทํากรรมไม่ดีกับท่านเราอย่าไปโกรธไปเกลียดไปว่าท่านอันนี้ก็เป็นการทํากรรมไม่ดีท่านทํากรรมไม่ดีแล้วเราก็ไปทํากรรมไม่ดีแล้วก็ไม่ดีพอๆกับท่านเรเราต้องรักษาความดีของเราด้วยการเคารพพ่อไม่ไปว่ากล่าวไม่ดุด่าว่ากล่าวพ่อไม่สั่งสอนพ่อ ถ้าพ่อไม่ขอความช่วยเหลือไม่ขอขอขอคำสั่งคำสอนจากเราเราไม่ควรที่ไปสั่งสอนพ่อที่เขาเป็นผู้ที่เลี้ยงดูเรามาเรามีแต่หน้าที่คอยรับใช้พ่อช่วยบรรเทาความทุกข์ยากต่างๆที่เราสามารถที่จะทำได้เพื่อเป็นการทดแทนบุญคุณแต่เราไม่ควรหวังผลอะไรตอบแทนจากพ่อแม่เพราะพ่อเขาให้เรามามากแล้วเขาให้ชีวิตเหล่านี้ก็เหลือหลายแล้ว เราให้เราเลี้ยงดูท่านไปจนวันตายบุญของคุณคุณของท่านเราก็ยังใช้ไม่หมดนะครับยิง่งถ้าเราไม่หวังอะไรจากท่านแล้วเราจะไม่มีความรู้สึกโกรธเกลียดท่านที่เราโกรธหรือกเกลียดท่านเพราะเราไปหวังให้ท่านทําอย่างนั้นทําอย่างนี้พอท่านไม่ทําเราก็เลยไปโกรธไปเกลียดเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะกระทําเราควรที่จะปล่อยเรื่องชีวิตเรื่องการกระทําของท่านว่าเป็นเรื่องของท่าน ท่านจะทำดีทำเชื่อมันเป็นเรื่องของท่านถ้าท่านให้เราเปิดโอกาสให้เราสอนหรือให้บอกท่านเราก็บอกไปแต่ถ้าท่านไม่เปิดโอกาสไม่มาถามเราเราก็ต้องปรงมองว่าเป็นเรื่องของกรรมของท่านไปคำถามต่อไปจากคุณไอซ์เบอร์รี่ครับขอถามคาถามสองข้อค่ะข้อหนึ่งถ้าจะสอนจิตให้ลดอุปท า, านยึดมั่นในตัวเอง ควรเพิ่มพิจารณาอย่างไรคะก็ให้มองว่าเราไม่ช้าก็เร็วเดี๋ยวก็ต้องตายแล้วก็ชีวิตของคนเรามันก็มีขึ้นมีลงไม่ใช่ว่าเราจะขึ้นอยู่ตลอดเวลาบางเวลาเราอาจจะตกต่ำก็ได้ยิ่งขอให้เราดูความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของชีวิตของเราเราก็อาจจะทำให้เรา ไม่หลงไหลในตัวเรามากจนเกินไป yeah. ครับถามข้อที่สองเวลานั่งสมาธิพยายามอบรมสอนจิตตัวเองแต่ก็มักมีกิเลสเข้ามาแทรกว่ารู้แล้วจะพยายามสอนอะไรก็บอกว่ารู้หมดแล้วแต่พอเจอเหตุการณ์เฉพาะหน้าก็พังควรยึดมั่นถือมั่นในตัวความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็ยังอยู่ไม่ทราบว่าแก้ไข ย, ยังไงคะก็อย่าไปเชื่อมันเลยอย่าไปฟังมัน รู้แล้วรู้แล้วถ้าทำไม่ได้ก็แสดงว่าไม่รู้จริงก็ตอบไปก็ต้องพยายามสอนต่อไปสอนเพื่อให้เวลาเจอข้อสอบจะได้ทำข้อสอบได้ถ้ายัางทำข้อสอบไม่ได้ก็แสดงว่ายัางไม่รู้เมื่ อ, อยังไม่รู้ก็ต้องหมั่นสอนใจไปเรื่อยๆครับคำถามต่อไปจากคุณภูมิครับพระอาจารย์เจ้าค่ะสติจเจริญสติพุทโธอยู่เป็นประจาเจ้าค่ะ แต่บางครั้งเวลามีปัญหามักจะระ ง, งับโทสะไม่ค่อยได้เจ้าค่ะหลุดตลอดเลยเจ้าค่ ะ, คะโทสะมันเกิดจากความอยากของเราฉะั้นเราต้องพยายามลดละความอยากให้น้อยลงไปอย่าไปอยากมากอยากมากก็จะโกรธมากเวลาไม่ได้ดังใจอยากแต่ถ้าเราไม่อยากนี้เวลาเราก็จะไม่โกรธเพราะเราจะไม่มีความผิดหวังไม่มีความเสียใจ อย่าอย่าไปหวังอะไรจากใครอย่าไปต้องการอะไรจากใครถ้าอยากจะได้อะไรหาเอาเองทําเอาเองพึ่งตนเองเป็นหลักยึดหลักสันโดษยินดีตามมีตามเกิดไม่หวังอะไรจากใครเขาจะให้อะไรเราก็ยินดีตามมีตามเกิดถ้าอย่างนี้แล้วเราจะไม่ค่อยโกรธนะที่เราโกรธเพราะเรามันเรามันโลภมากหรือจู้จี้จุกจิกอ อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้อย่างได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้พอไม่เป็นพอไม่ได้ก็โกรธขึ้นมาคำถามต่อไปจากคุณจุรารัตน์ครับขอโอกาสถามเรื่องการทําสมาธิค่ะว่าการถอนจิตออกจากสมาธิควรทบทวนลักษณะจิตในการเข้าหรือออกจิตก่อนออกจากสมาธิหรือไม่หากต้องทบทวนควรทําอย่างไรจึงจะถูกต้องคะ ก็ดูเหตุที่เรานั่งวันนี้ว่ามันเราสงบได้เพราะอะไระเราก็จำเหตุนั้นไว้ว่าอ๋อวันนี้ใจเราไม่ได้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เลยอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวถ้าเราใช้ลมหายใจเป็นเครื่องกำกับใจหรือว่าถ้าเราใช้พุโทโธแล้วเราก็อยู่กับพุโทโธมาอย่างต่อเนื่องไม่ได้ไปคิดถึงอะไรเลยเราก็จำมาไว้ตรงนั้น ให้จดจําเหตุที่ทําให้เรานั่งแล้วสงบหรือถ้าเรานั่งไม่สงบก็ให้ จ, จดจําเหตุว่าวันนี้ทําไมไม่สงบก็เพราะใจเราไม่อยู่กับพุโทโธเลยไม่อยู่กับลมหายใจเลยชอบแวบไปคิดเรื่องนั้นววบไปคิดเรื่องนี้ให้ให้พิจารณาที่เหตุแล้วก็ดูที่ผลที่เราได้รับในการนั่งในวันนั้นในเวลาในเวลานั้นว่าเป็นอย่างไรเพื่อเราจะได้เอาไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป เราต้องแก้ที่เหตุเราอย่าไปแก้ที่ผลคำถามต่อไปจะททา Facebook ไลฟ์นะครับจากคุณรัตนสุดาครับถามแทนแฟนค่ะเราสามารถมีสติในการดูฟุตบอลได้อย่างไรคะออการมีสติดูฟุตบอลนี้เป็นสติที่ไม่ดีไม่ใช่เป็นสติที่จะทำให้ใจสงบเพราะเป็นสติที่ทำให้ใจปรุงแต่งทำให้เกิดความอยากดูแล้วก็เชียร์กอง ทีมที่เราอยากจะให้ชนะมันก็เกิดตัณหาความจิตก็จะหวั่นวหจิตก็จะไม่สงบจิตจะไม่นิ่งจิตจะตื่นเต้นอันนี้ไม่ใช่เป็นสติที่เราพูดถึงสติของการปฏิบัตินี้ต้องการเป็นสติที่หยุดความคิดหยุดความอยากอย่าการดูฟุตบอลนี้ถ้าจะดูแบบมีสติทางปฏิบัติก็ดูแล้วก็ท่องพุโทโธไป ไม่สนใจว่าใครจะแพ้ใครชนะใครจะเตะลูกโทษไม่เตะลูกโทษไม่สนใจดูแต่ภาพไปเฉยๆแล้วใจก็พุโทโธพุโทโธไม่ไปมีความรู้สึกกับการดูดูแต่ภาพแล้วไม่ปรุงแต่งไปกับภาพถึงจะเรียกว่าสติทางปฏิบัติถ้าสติทางกิเลสทางทางทางกิเลสก็คือดูแล้วก็ต้องเชียร์ต้องเอาแพ้เอาชนะกัน ตงนี้ใจก็จะตื่นเต้นเพราะความอยากอยากให้ทีมที่เราเชียร์ชนะยิ่งมีเดิมพันแล้วยิ่งตื่นเต้นใหญ่เลยคำถามต่อไปจากคุณวัสันครับกราบเรียนถามพระอาจารย์มโนวิญญาณในขันหคือการรับรู้ทางใจผมยังไม่ค่อยเข้าใจสำหรับการละการรับรู้ทางใจใช่รู้สักแต่ว่ารู้แบบนี้ใช่หรือไม่ครับแล้วจะละมโนวิญญาณ ต้องพิจาราอย่างไรขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยอธิบายด้วยครับก็เหมือนกับเรารับรู้ทางตาจะมกงเรนกายเห็นรูปเราก็รู้เห็นรูปก็รู้เฉยๆอย่าไปปรุงแต่งเช่นเห็นเงินทองก็อย่าไปปรุงแต่งอยากได้ขึ้นมาเห็นแล้วก็เห็นธรรมสักแต่รูปได้ยินเสียงก็อย่าไปปรุงแต่งเสียงเขาด่าเราก็อย่าไปปรุงแต่งให้เกิดความโกรธขึ้นมา อันนี้ก็เหมือนกันความคิดของเราก็ก็เป็นเหมือนกับรูปเสียงกลิ่นรสมีทั้งที่เรารักและที่เราไม่รักเราต้องตัดความรักความชางังออกจากการรับรู้สิ่งต่างๆทางวิญญาณ ท, า 6, ท, า 6, ทั้งหกทั้งหกท่อหกช่องหกทางนี้ให้รู้เฉยๆรู้แล้วไม่เกิดความรักความชางังความกลัวความหลงถ้ายังเกิดความรักชังกลัหลงอยู่แสดงว่าจิตเรายังไม่มีสมาธิพอ เราก็ต้องฝึกสมาธิก่อนถึงจะสามารถรู้ได้แบบสักแต่ว่ารู้ถ้ารู้เรายังมีรักมีชังมีกลัวมีหลงอยู่นี่ยังดุยังใช้ไม่ได้ไม่มีเครื่องมือที่จะดูให้ถูกกับตามกับหลักธรรมที่พระเจ้าทรงสอนก็ต้องมาฝึกสติฝึกสมาธิก่อนพุทโธพุทโธนั่งสมาธิทําใจให้สงบให้ใจเป็นโอเบกขาก่อน พอใจมีอุเบกขาแล้วใจจะลดความรักชังกลัวหลงลงไปตามลำดับเต่อไปเราเห็นอะไรหรือคิดอะไรเราก็จะเฉยกับความเห็นความคิดได้คำถา ม, ถามต่อไปจากคุณวันศุกร์ครับการที่ครูบาการที่ครูบาอาจารย์ตำหนิพฤติกรรมที่ไม่ดีของลูกศิษย์ให้ลูกศิษย์อีกคนฟังนี้ถือว่าเป็นการสอนลูกศิษย์อีกคนที่ท่านเล่าให้ฟังเพื่อให้พึงระวังสังวรใช่หรือไม่ คนฟังไม่ควรคิดว่าท่านกําลังนินทาและไม่ควรสงใจตำหนิคนที่ครูอาจารย์ตำหนิแบบนี้ทำถูกหรือไม่คะครูอาจารย์ท่านสอนคนชั้นฉลาดบางทีท่านเห็นว่าถ้าตำหนิโดยตรงนี้จะทำให้คนถูกตำหนินี่เสียใจหรือโกรธท่านก็เลยใช้วิธีเชื่อไก่ให้ลิงดูเข้าใจไหมไม่ไปเชื่อลิงถ้าเชืลิงก็งลิงมันตาย ก็เลยเชื่อดไก่ให้ลิงดูว่าพอลิงเห็นว่าต้องถูกเชือดแบบไก่มันก็เลยมันก็เลยกลัวเกรงครูบาอาจารย์ Greek, ท่านมักจะชมหรือตำหนิพคนอื่นแต่าน่าอีกคนหนึ่งความจริงท่านําลังสอนคนที่กำลังฟังอยู่นั่นแหละเพราะคนที่ถูกตำหนิถูกชมเขาไม่ได้ยินก็ไม่ได้ฟังหลายคนที่ได้ยินนั่นแหละกำลังถูกสอนอยู่ แต่ถ้าโง่ก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจคิดว่าท่านไปนินทาไปว่าคนอื่นจริงแล้วท่านกำลังสอนเราสอนคนที่กำลังฟังอยู่ว่าคนระองนี้ไม่ดีเลยไม่มีสติสตังเลยทำอะไรเออเพอเลยทำอะไรทาให้เกิดการผิดพลาดอยู่เรื่อยนี่เราต้องย้อนกลับมาดูแลให้เราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเราเป็นก็เราต้องรีบแก้ไขแล้ว พราะท่านไม่ต้องการที่จะชี้หน้าเราบอกว่าท่านไม่มีสติเลยทําอะไรไม่ได้เรื่องเลยพูดอย่างนี้เดี๋ยวเราจะเสียใจจะโกรธอาจจ ะ, ะหนีไปเลยก็ได้ท่านก็เลยบางทีต้องระมัดระวังเวลาสอนใครท่านต้องดูคนที่ฟังก่อนว่ามีพลังจิตที่จะรับกับคําตําหนิติเตียนได้หรือเปล่าถ้าบางองค์นี่มีพลังจิตสูงบางทีท่านก็ว่าต่อหน้าเลย แต่ว่าต่อหน้าก็ว่าต่อหน้ากับคนหลายๆคนอีกเพื่อจะให้คนหลายๆคนจะได้เห็นเวลาถูกว่าว่าเป็นยังไงแล้วจะทําใจยังไงถ้ามีขับพลังจิตสูงโดนว่าเขาก็เฉยๆเ้าก็รู้ว่าถ้าไม่ได้ว่าเราหรือว่าเราก็เพื่อสอนให้คนอื่นสอนให้คนที่กําลังเห็นกําลังถูกว่าอยู่เนี่ยว่าเนี่ยถ้าทําอะไรไม่ถูกเดี๋ยวก็โดนว่าอย่างนี้เข้าฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านลึกซึ้งท่านมาหลายชั้น พวกเรามันชั้นเดียวอย่าไปอย่าไปวัดกับครูบาอาจารย์เลยนะคำถามต่อไปจากคุณวรนรัตครับเวลาเดินจงกรมมีอาการเวียนหัวจะอาเจียนค่ะเป็นเพราะอะไรค ะ, ะมันก็เป็นเรื่องของร่างกายมันถึงเวลามันจะอาเจียนก็อาเจียนเวียนหัวมันก็เวียนหัวพอดีมาตรงกับเวลาเดินจงกรมก็เท่านั้นเองก็ปล่อยให้มัน ก็หยุดเดินไปสักพักก่อนหาสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรทางร่างกายก็ต้องไปหาหมอแล้วถ้าถ้ายังเป็นอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเป็นเฉพาะเวลาที่เดินจงกรมอย่างเดียวก็อาจจะเป็นกิเลสก็ได้กิเลสไม่ชอบเดินจงกรมเลยมีปฏิกิริยาต่อต้านเขาเรียกว่าแสลงใจเอถ้าอย่างนั้นก็อย่าเพิ่งไปเดินจงกรมลองนั่งสมาธิไปก่อนลองอสวดมนต์ไหว้พระไปก่อน ตามจิตให้สงบมากกว่านี้เมื่อจิตสงบมากขึ้นการต่อต้านของกิเลสก็จะเบาลงแล้วก็ลองไปนะไปลองไปเดินจงกรมต่อไปการเดินจงกรมนี้ก็ไม่จําเป็นจะต้องเดินกันทุกคนถ้าเราปฏิบัติเพียงวันละครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนี้ไม่ต้องเดินก็ได้นั่งสมาธิไปอย่างเดียวก็ได้การเดินจงกรมนี้สําหรับผู้ที่เขาปฏิบัติทั้งวันทั้งคืน เขานั่งนานๆแล้วเมื่อยเขาก็เลยลุกขึ้นมาเดินจงกรมต่อเท่านั้นเองคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณวันใหม่ครับสมถากับวิปัสสนาต่างกันอย่างไรแล้วเราจะปฏิบัติอย่างไรดีคะสมถาก็คือทําใจให้สงบเนี่ยเหมือนกับร่างกายเวลาเราพักผ่อนนอนหลับนี่ก็เป็นเหมือนเรากําลังเข้าสมาธิให้กับร่างกายร่างกายต้องการพักผ่อน แล้ววิปัสสนาก็คือการทำงานของใจพอใจออกมาจากสมาธิก็เอามาคิดทางปัญญาก็เรียกว่ากำลังทำงานร่างกายก็เหมือนกันเวลานอนก็เป็นเหมือนกำลังพักผ่อนพอตื่นนอนก็ลุกขึ้นมาทำงานทำการไปหาเงินหาทองไปหาข้าวหาของต่างๆก็เรียกว่าเป็นวิปัสสนาของร่างกายใจกับใจก็เหมือนกันใจก็มีการพักผ่อนมีการทางาน เวลานั่งสมาธินี้เป็นการพักใจเวลาเจริญวิปัสสนาเป็นการทำงานของใจเพื่อให้เกิดปัญญาขึ้นมาอ่าก็สองข้อนะคาถามต่อไปจากคุณรัตนสุดาครับนั่งสมาธิแล้วรู้สึกมือเท้าหายแล้วกระดิกมันหน่อยให้รู้สึกตัวขึ้นมาถูกหรือไม่คะ อ, อ๋อไม่ถูกหรอกนั่งสมาธิแล้วต้องปล่อยร่างกายไม่ไปสนใจกับร่างกาย ให้อยู่กับการควบคุมใจเพียงอย่างเดียวถ้าดูลมก็ดูลมอย่างเดียวถ้าพุทโธก็พุทโธอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายหรืออย่าไปสนใจกับสิ่งต่างๆที่ปรากฏ <Pie> ขึ้นมาในใจให้เราอยู่กับพุทโธไปอย่างเดียวหรืออยู่กับลมหายใจไปอย่างเดียวเพราะเราต้องการที่จะเข้าสู่ความสงบถ้าเราไปสนใจแล้วเราก็จะไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้ คำถามสุดท้ายนะครับจากคุณนัฐพลครับซื้อหวยหรือลอตเตอรี่ผิดศีลหรือบาปอย่างไรครับถ้าเป็นการเล่นการพนันก็เป็นเป็นการการทําที่จะทําให้เราเสียหายเพราะมีแต่จะขาดทุนมากกว่ากําไรถ้าอยากจะหาเงินว่าไปทํางานดีกว่าไปเสี่ยงกับการเล่นการพ น, น, นันนี่โอกาสที่จะได้มามันน้อยกว่าโอกาสที่จะเสียดัยงั้น ที่สอนที่ห้ามก็เพื่อจะได้ไม่จะได้ไม่ไปเสียเวลาไปเสียเงินเสียทองเอาเวลามาหาเงินหาทองดีกว่ า, าก็ลองทดลองทําสถิดีดูเลยว่าปีนี้เราซื้อหวยเท่าไหร่แล้วเราได้รางวัลเท่าไหร่เปรียบเทียบดูทําบัญชีดูอถ้าปีนี้ขาดทุนก็อย่าไปเล่นดีกว่ า, าถ้ากําไรออก็เล่นต่อไปดู ถือว่าเป็นการทำการค้าไปถ้าทำแบบนี้ก็เล่นได้แต่ถ้าเสียเมื่อไหร่ก็เลิกเล่นเสียเถิดไปทำอาชีพอื่นดีกว่าเอาแล้วนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจิพิจน า, าไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ